ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ห้าสิบเจ็ดพูดเรื่องความสุขยังไม่จบเพิ่งจะได้ความสุขขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นความสุขที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็น อ, อยู่ประจําวันหรือชีวิตประจําวันเป็นความสุขขั้นพื้นฐานเนื่องโดยชีวิตเองซึ่ง หมายกวมว่าทางเราได้อันนี้ไว้เป็นฐานนี่มันเป็นทุนที่สบายเป็ น, นตัวเยอะแหละแต่มนุษย์ปัจจุบันนี่มาสูญเสียความสุขขั้นพื้นฐานนี่ไปซะโดยที่ไปมัวแสวงหาทยานร่านลนหาสุขจาการเสพแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งบำรุงบำเลอนั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็สูญเสีย ความสุ ข, ขัานพื้นฐานนี้ไปนยนี่ไม่ในยังไม่พูดถึงการที่จะพัฒนาให้มีความสุขอื่นๆเพิ่มขึ้นเลยนะแค่ความสุขพื้นฐานก็มีปัญหาซะแล้วอันนี้พูดทิ้งไว้ขั้นนี้ก็มีแง่มีเกร็ดแทรกอีกนิดหน่อยที่บอกว่าคนที่ทะยานหาสิ่งเสพมาบำเรอสุขทางด้าน อาณานาหออินทร์ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามสุขหรือว่าเป็นสุขประเภทอาศัยวัตถุภายนอกเรียกว่าสามิสสุเนี่ยก็เลยทําให้เกิดการห่างเหินและแปลกแยกจากสิ่งที่ชีวิตต้องเกี่ยวข้องหรือเป็นอยู่โดยสัมพันธ์ตลอดเวลาสมอย่างคือห่างเหินแปลกแยกจาก ธรรมชาติห่างเหินแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือสังคมแล้วก็ห่างเหินแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตัวเองที่อยู่กับตัวเองนี่แหละนี่ความห่างเหินกับแปลกแยกนี่ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะในระยะไม่กี่ปีมานี้มีศัพท์ใหม่แปลกแยกซึ่งเป็นศัพท์ที่บัญญัติหรือว่าคิดขึ้นมาเพื่อจะแปลคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า alienation ก็นับว่าเป็นคนคิดเข้าใจหาศัพท์เหมือนกันนะกว่าจะได้ศัพท์แบแปลกแยกน่ยก็เป็นวิวัฒนาการทางภาษาที่ได้ประโยชน์ความแปลกแยกนี่ให้ความหมายดีเหมือนกันไปสื่อคาว่า e l i e n a t i o n นี่ในภาษาไทยเดิมก็เราไม่รู้ว่าเราเคยใช้ศัพท์อะไรสําหรับคําว่าแปลกแยกห่างเหินกับแปลกแยกก็ไม่เหมือนกันทีเดียว อย่างห่างเหินจากธรรมชาติกับแปลกแยกกับธรรมชาติห่างเหินหมายความว่ามันไกลจากกันแต่ว่าแปลกแยกนี่หมายความวาทั้งอยู่ด้วยกันแต่มันแปลกแยกนะทีนี้ยกตัวอย่างอย่างธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ปัจจุบันจะมีทั้งห่างเหินและแปลกแยกห่างเหินก็อย่างคนที่ยกตัวอย่างมาชืชาว่าแก่ไม่ได้พบได้ป่ากับธรรมชาติเลยเพราะสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีของมนุษย์นี่มันเกิดขึ้นมามากจนกระทั่งว่าได้สร้างขึ้นเป็นโลกของมนุษย์ที่แยกต่างหากจากโลกของธรรมชาตินีนคนจํานวนไม่น้อยนี่ก็อยู่กับโลกของมนุษย์ที่เป็นโลกของสิ่งประดิษฐ์โลกของเทคโนโลยีเนี่ยก็ห่างเหือจากธรรมชาติไม่เจอไม่พบกันนะไมเห็นพระจันทรย์ไม่เห็นพระอาทิตย์อะไรต่างๆแล้วก็ไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นภูเขา นานๆจะออกไปสักทีจะต้องไปตั้งใจไปหาธรรมชาติอันนี้ห่างเหนินที่นี้แปลกแยกล่ะแปลกแยกก็หมายความว่าทั้งทางที่อยู่ด้วยกันก็ใจก็ไม่สามารถจะเข้าถึงมันนะไม่สามารถจะสัมพันธ์กับมันในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกเช่นทราบซึ่งได้ความสุขจากมันได้อย่างมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยที่ มัววุ่นวายกับการหาสิ่งเสพจนออกมาเป็นระบบบริโภคระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ทีนี้แก่ก็วุ่นวายอยู่กับการหาผลประโยชน์ความคิดแกก็มาหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้จิตใจความรู้สึกก็วุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เช่นว่ามีการห่วงกังวลว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์อันนั้น มีความห่วงกังวลว่าผลประโยชน์อันนั้นจะสูญเสียไปมีความห่วงกังวลว่าคนอื่นจะมาเอาไปคนอื่นจะแย่งไปได้กลัวว่าตัวเองจะได้น้อยกว่าโจจะแพ้อันนั้นยังไม่แด่อันนี้จะได้ยังไงเนี่ยแม้แต่เวลาที่ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนะี่ยใจไม่อยู่แม้เขาจะไปหาโอกาสไปหาธรรมชาติบางแต่จิตใจเขาวุ่นวายใจเขาไม่อยู่ที่นั้นใจเขาไปอยู่ในเมืองใจเขาไปอยู่ที่ วันข้างหน้าวันที่เปิดทำงานอีกเขาจะต้องไปวิ่งวุ่นวายแย่งชิงผลประโยชน์กับคนอื่นอะไรต่างๆทั้งท่าที่ตัวอยู่กลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางสายลมแสงแดดดอกไม้อะไรนี่นะแต่ว่ามันไม่สามารถได้รับรสความสุขสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้จริงเพราะใจมันไปวุ่นวายเร่าร้อนไปอยู่ห่วงกังวลกา สิ่งที่อยู่ในบ้านในเมืองในชีวิตในการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์นั<ม>้นใช่ไหมนี่ก็คือลักษณะที่แปลกแยกเพราะนั้นทั้งท่าที่ตัวไปอยู่ใจก็ไม่อยู่ใจไม่สามารถได้ความสุขจากสิ่งแวดล้อมอย่างตัวอย่างเรื่องธรรมชาติที่ชีวิตของเขาต้องสัมผั์เกี่ยวข้องเนี่ยที่ชีวิตของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยก็หนึ่งห่างเหินเนี่ย ธรรมชาติแวดล้อมนั้นมีน้อยลงหนึ่งห่างเหินแล้วสองยังมีน้อยอีกสามที่มีน้อยนั้นก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอีกสเวลาเขาไปอยู่เขาก็ไม่สามารถได้รับสัมผัสแห่งความสุขความรื่นรมย์จากมันได้จริงอย่างเต็มสมบูรณ์อีกสี่ประการนี้แย่ yeah. ที่เขาต้องสูญเสียไปเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเสร บ, บริโภค เพื่อจะให้ได้ความสุขด้านนั้นเอาละทีนี้นี่ก็เป็นข้อสังเกตทีนี้ในเมื่อมนุษย์เดิมเนี่ยมันมีแหล่งความสุขพื้นฐานสาประการที่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์สมัยเดิมนี่แกจะได้ความสุขจากแหล่งทั้งสนี้เสมอไปนะคือว่าด้านธรรมชาติด้านเพื่อนมนุษย์ด้านกิจกรรมแห่งชีวิตเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็มีปัญหา หรือว่าคนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีสิ่งเสพมากมายเขาก็มีปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือว่ามันไปชดเชยกันได้ใช่ว่าบางคนเนี่ยเข้ากับเพื่อนมนุษย์ไม่ค่อยได้นีสมัยก่อนเขาก็เป็นเข้ากับใครก็ไม่ค่อยได้แต่แกยังมีธรรมชาติแวดล้อมให้อยู่แกก็หลบไปหาธรรมชาติแวดล้อมใช่ไหมไปหาความสุขจากธรรมชาติหรือเมื่ั้นแกก็ไปหา ความสุขจากกิจกรรมมันชีวิตกับชอบอะไรแกไปทําของแกงวนมายุ่งกับใครแหละนีหาความสุขของแกไปก็ชดเชยหมายว่าใน3อย่างนี้อาจจะเสียอนโน้นก็ไปเอาอนโน้นมาช่วยมาแทนกันไปหรือคนที่ว่าไม่ชอบอยู่กับธรรมชาติก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมนุษย์ใจมันก็มีความบริสุทธิ์ใจมันไม่มีคลานคลางแคลงไม่มีไอเรื่องของความแปลกแยกความบาดระแวงอะไรอยู่มันก็มีความสุขจริงพอสมควร เป็นอันว่าชดเชยกันทีนี้มนุษย์ยุคนี้นะอันนี้ถ้าจะชดเชยก็ชดเชยยากใช่ไหมเข้ากับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้จะไปหาธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่ในภาวะที่ไม่เอือ้อไม่มีให้มากมายเพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพที่ตัวเองจะได้ความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เต็มที่เพรานั้นยุคปัจจุบันนี้ถ้าดูในแง่นี้ก็นับว่าเสียเปรียบคนสมัยโบราณ นี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งทีงนี้คนในสมัยโบราณนี่เขาก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อย่างคนที่ออกไปบวชเป็นฤาษีชีปลาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเนี่ยเขาก็อาจจะเบื่อหน่ายเพื่อนมนุษย์เบื่อหน่ายครอบครัวเบื่อหน่ายคนที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็เบื่อหน่ายชีวิตที่มาจุง้งสมัยนั้นก็มีอยู่การแย่งชิงหาผลประโยชน์การเสพแกก็เบื่อหน่ายอามิดเบื่อหนายกาม แกก็ปลีกตัวออกไปอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมอย่างฤาษีชีไพรเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับสังคมตัดขาดจากสังคมไปหาความสุขไปบําเพ็ญเพียรทางจิตได้สมาธิได้ฌานกันเล่นฌา น, นอย่างวันเวลาให้ผ่านไปได้วยการเล่นฌานมีความสุขจากสมาธินั้นจะเรียกว่าฌานกีฬาเป็นลักษณะของพวกฤาษีชีไพร์ได้ฌานสมาบัติ เนี่ยเป็นทางออกของมนุษย์ที่มีมาแต่เดิ ม, มแต่ว่ากลายไปว่าในแง่นี้แล้วมนุษย์ยุคก่อนเนี่ยได้เปรียบมนุษย์ยุคนี้ได้เปรียบตอนที่ว่ามีสิ่งเสพมากแต่ว่าไม่รู้ลงทุนนี้ได้ผลกําไรคุ้มหรือเปล่านะีหรือขัดทุนยับเยินกัไนไปลูกเนีเพราะว่าไอ้ส่วนที่สูญเสียไปนีุมันก็นเยอะก็ได้เปรียบในแง่มีสิ่งเสพเทคโนโลยีเยอะบำรุงมั่เหลอแต่ว่าในด้านเสียก็เสียแหล่งพื้นฐานในความสุขสามประการนี้ไป แล้วทางที่จะไปหามาชดเชยก็ยากยิ่งต่อไปเนี่ยยังคนจะหลบสังคมหลบสิ่งเสพไปหาป่าหาเขาที่หลบเนะี่ยเดี๋ยวนี้จะยากขึ้นทุกทีนะหาที่หลบไม่ไหวไม่มีที่จะให้ไปหาความสุขแต่ยังไงก็ตามพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับลทัทธิที่ปลีกตัวหลบไป พ, พุทธศาสนาไม่ใช่ลทัทธิหรือสีชีพไพลพุทธศาสนาให้อยู่กับความจริงของชีวิต โดยเฉพาะแหล่งความสุขแหล่งความสัมพันธ์พื้นฐานทั้ง3อย่างดังนั้นหนึ่งธรรมชาติพุทธศาสนาก็ให้มนุษย์นี้ไม่แปลกแยกไมห่ห่างเหิน 2. กับเรื่องของเพื่อนมนุษย์พุทธศาสนาก็ให้พัฒนาความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ให้ไปตัดขาดจากสังคมดันั้นพุทธศาสนานี่ไม่ได้ให้พระนี่ไปอยู่อย่างฤาษีชีพลัยปลีกตัวไป พระนี่อยู่กันเป็นสงฆ์ใช่ไหมอยู่เป็นชุมชนพระพุทธเจ้าตั้งเป็นชุมชนเป็นสังฆะขึ้นมาแล้วสังฆานี่เป็นองค์หนึ่งแห่งพัตนาไตรเลยเป็นหลักการสําคัญว่าพุทธศาสนานั้นไม่ชัดลัทธิที่ออกไปอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยแล้วก็กิจกรรมแห่งชีวิตก็ให้พัฒนาในแง่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ไม่เป็นการเพไม่เป็นการทำลายไม่เป็นการเบียดเบียน การสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ดีให้เป็นไปในการเกื้อกูลการมีมิมตรไตรเมตตาตามหลักปรมวิหารรักษาความเป็นธรรมไว้ด้วยนะอันนี้แหละที่สำคัญนี่เราไม่ใช่ปล่อยไปตามพื้นฐานเดิมแม้แต่มีแหล่งความสุขพื้นฐานแล้วถ้าไม่พัฒนามันก็เกิดปัญหาจากสิ่งเหล่านั้นได้นั่นก็จะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีงามนี่ฝรั่งนีไม่เข้าใจพุทธศาสนา ฝรั่งไม่น้อยมาศึกษาพุทธศาสนานี่แกแยกไม่ออกจากธธรัที่ลูษีชีไพลาบางคนก็บอกพุทธศาสนานี่เป็นอเซติซิซึมอเซติซิซึมก็คือรัที่อเซติกอเซติกก็พวกลูษีโยคีลักษณะของรัที่อเซติกหรืออะเซติกก็ตัวคนถ้าเป็นรัฐที่ก็เป็นอเซติซิซึมลักษณะของชีวิตแบบนี้ก็คือหนึ่งปลีกตัวนะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับใคร เป็นเป็นอย่างพระเวสสันดรพระเวสสันดร น, นี่เป็นพระโพธิสัตว์ก็จริงแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ผู้ที่บรรลุจุดหมายในพุทธศาสนาแล้วยังลองผิดลองถูกอยู่นะคนยังมองพโพธิสัตว์นี่ไม่ค่อยเป็นอ่ครับครับพระโพธิสัตว์นั่นพโพธิสัตว์ก็เป็นพโพธิสัตว์มหายานและยิ่ง เพี้ยนไปกันใหญ่เลยนะอันนั้นเคยพูดแล้วนะเรื่องพระโพธิสัตว์ความหมายที่เพี้ยนไปโพธิสัตว์แบบเดิมนี่มีปณิธานในการที่จะบำเพ็ญความดีคุณธรรมต่างๆที่ว่าเรียกว่าบารมีอย่างยวดยิ่งใช่อันนี้ในการบาเพ็นบารมีนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนก็ทาให้ดีที่สุด แต่ปัญญายังไม่เป็นโพธิ์ที่ยังไม่เป็นพุทธะก็ทำเท่าที่เช่นว่าสติปัญญาตัวเองว่าดีหรือเห็นว่าสังคมเขานิยมสังคมเขาตกลงกันว่าอันนี้เป็นคุณธรรมที่ดีท่านก็รู้เท่านั้นก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ยุคนั้นจะทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระโพธิสัตว์นี่จะทำถูกหมดใชห่หมายความในระดับที่มนุษย์ ยอมรับกันในระดับสังคมค่านิยมที่ดีอะไรต่างๆเท่าที่ปัญญามนุษย์ในยุคนั้นจะคิดได้ในพระโพธิสัตย์ยอดสุดแหละแต่ก็ยังไม่เป็นพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นการกระทำของท่านนี้ยังไม่สามารถเอามาเป็นเกณฑ์วินิจฉัยความถูกต้องโดยสมบูรณ์เพราะท่านยังทดลองอยู่ใช่ไหมอ่อพระเด็รคครับอย่างนพิสุขอ่าจะากรารูป่ตัวไม่ได้จริงไหไไปกราบได้ยังไงล่ะครับ อไม่มีทางอ่ะแล้วเอเว้บูชาก็ไม่ได้เช่นกันไม่ได้อา่างบางวัดบางสนักสงฆ์มีเจ้าแม่คงจริงไหมก็เ อ, เอามาเป็นเพียงพระโพธิสัตว์แบบเดียวก็มากราบพระพุทธรูปเอามาวางตั้งไว้ข้างๆแต่ว่าพระจะไปกราบไปไหว้ไม่ได้พระโพธิสัตว์เยอะแยะไปกราบไหว้ไม่ได้ก็ไปไหวก้กราบเจ้าชายสิทธัตถ์ได้ที่ไหนเจ้าชายสิทธัตถ์เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหม เ, เราไปกราบได้ที่ไหนล่ะ ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าี่ไปไหว้กราบพระเวสสันดรได้ที่ไหนใช่ไหมฮะเน่ยเจ้าแม่กุลีมก็เป็นโพธิสัตว์อันนี้เป็นพัฒนาการยุคหลังพศหกเจ็ดร้อยปีในเรื่สักในเรา่นะค่าหกร้อยปีทิ่สมโรคที่วัดเขาหองแครงมีมีวัดเนี่ยครับเจ้าแม่กุลิมสลับด้วยถิ่นอ่อนด้วยกัน ก็ใหญ่ที่เกิดในเอเชียเอาไว้คนเป็นเดือนพิชาหลายต่อหลายคนก็ไปแล้วก็มีความยึดติดตรงที่ว่าเจ้าแม่กวนอิมนั้นสามารถเปินแรงงานได้หลายสิ่งหลายอย่างอาทิเช่นรักษาโรคไปแพทย์ไปแแพ้อัลูพินท่านแล้วก็ขาสีขาวก็จะเป็นวัดหนึ่งคนในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอ แต่คฤหัสไปไหว้ได้ไม่เป็นไรแต่ไหว้ก็ต้องไหว้ให้ถูกคติโพธิสัตว์คติโพธิสัตว์แท้ตามความหมายเดิมของพุทธศาสนาะก็เคยพูดแล้วนี่ยบอกเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญความดีเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วให้เกิดกําลังใจในการทําความเพียรในการบําเพ็ญคุณธรรมเข่าใจไเราทําความดีต่างๆแล้วเราอาจจะท้อถอยเพราะเราเป็นมนุษย์บุตุชนยังอ่อนแอ เราได้พระพุทธเจ้าได้พระโพธิสัตว์มาเป็นแบบอย่างว่าท่านทําความเพียรท่านช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สละชีวิตของท่านได้เรากําลังเกิดความท้อแท้เราเริ่มอ่อนแอลงพอเรามานึกถึงท่านเราก็จะเข้มแข็งฮึดสู้ต่อไปทําความดีแต่ทีนี้ว่าพอมามองพระโพธิสัตว์โดยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ เป็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีความเพียรมีในการทำความดีท่านมีเมตตากรุณาสูงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ัตว์ทั้งหลายท่านพร้อมที่จะช่วยคนอื่นท่านมีกรุณามากเพราะฉะนั้นเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันกลับไปเป็นแบบาศาสนาโบราณเหมือนกับ mm hmm. พระโกนอิมนี่เป็นแบบเทพเจ้า mm hmm. ก็เป็นลัทธิไปอ้อนวอนบูชขอผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือไป กลับไปทำให้คติโพธิสัตว์นี่ไปเป็นเหมือนคติเทพเจ้าคือนี่มันผิดหลักพระกวลอิมก็คือพระอโรัโลพระอโลกิเตสวนโพธิสัตว์ซึ่งเกิดในอินเดียเกิดในรัฐิมหาญาณประมาณพศห้าหก้อยอย่างที่ว่าซึ่งเคยเล่าไปแล้วคงไม่ต้องเล่าใหม่นะฮะอันนี้ก็ <c oughs> ก็เกิดจากการที่แง่หนึ่งก็คือแข่งแข่งกับ ศาสนาฮินดูที่เขามีเทพเจาบบ้าคนกราบไหว้ขอความช่วยเหลือทีนี้ทางฝ่ายพุทธศาสนามหายาณก็เลยหาทางให้ชาวพุทธนี้ได้มีความอบอุ่นใจมีสิ่งปลอบประโลมใจมีสิ่งที่จะมาช่วยให้ความหวังในการช่วยเหลือก็เลยเอาคติโพธิสัตว์มาใช้ในความหมายใหม่ในความหมายที่ไปเป็นแบบฮินดูไปคือไม่ใช่คติเดิมที่ว่าโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างในการ ทำความเพียรในการทําความดีอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเข้มแข็งอย่างเด็ดเดี่ยวและอย่างเสียสละใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนความหมายไปเอาละครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องนี้โดยไม่รู้พูดไปถึงไหนนะีว่าเวสันดรก็พูดไปแล้วก็คือหมายความเรื่องพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์นี่ก็ ท่านยังบำเพ็ญความดียังบำเพ็ญบารมีอยู่ยังไม่ตรัสรู้นี่เรื่องที่ไหว้ไม่ได้อะไรต่างๆนี่จุดเริ่มที่พูดเรื่องนี้ไปจากเรื่องอะไรนะฮะลักษณะของรัฤาษีชีพไอ๋อพระเวสสันดรนะเป็นก็เป็นฤาษีชีพไพท่านก็ไปอยู่โดดเดี่ยวของท่านนี่ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าตั้งสังฆาขึ้นมาเป็นชีวิตชุมชนใช่ไหม จะมีส่วนยืดหยุ่นมากในด้านหนึ่งก็ส่งเสริมให้พระไปอีกตัวหาความสงบสงดัดแต่ในการปลีกตัวความสงบสงดัดนั้นเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองนะมีจุดมุ่งหมายนะไม่ให้ไปแยกตัวโดดเดี่ยวและให้มีความผูกพันกับชุมชนโดยที่ว่า15วันต้องมาเข้าที่ประชุมครั้งหนึ่งใช่ไหมนี่คือชีวิตสังฆะและจะต้องมาพึ่งพาใสาอาหารจากชาวบ้าน ต้องมาบินดาบาัดต้องมาสื่อสัมพันธ์มาแลกเปลี่ยนให้ธรรมะแก่ประชาชนได้ปัจจัยอาหารไปนะก็หมายความอย่างพระภิกษุเนี่ยที่ถือว่ามีชีวิตสงบสงัดที่สุดก็ยังแยกตัวตัดขาดจากสังคมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมพระเดียกันหรือสังคมพระกับคฤือหัดในแง่พระกับครือหัดก็อาวินัยผูกมัดชีวิตพระสงฆ์ไว้ว่าจะไปเที่ยวหากินเองไม่ได้ต้องมาฝากท้องกับชาวบา้าน โดยการบินทบาทในแง่ของสงฆ์ก็มีวินัยซึ่งเป็นสังฆกรรมว่าเวลามีกิจกรรมของหมู่ต้องเข้ามาร่วมในการพิจารณาตัดสินดะงนั้นพุทธศาสนานี่จึงไม่ใช่อเซตซิซิสึมในแง่ที่หนึ่งก็คือแง่ที่ปลีกตัวตัดขาดจากสังคมในแง่ที่สองก็คือข้อปฏิบัติอเซติกนี่จะมีข้อปฏิบัติแบบทรมานตนเองพุทธศาสนานไม่ใช่ลทัทธิแบบนั้นแตบบ่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา นะและการที่ว่าจะใช้วัตถุเสพน้อยอะไรนี้ก็มันต้องสัมผั์ไปกับการพัฒนาจิตใจเช่นการสันโดดมากน้อยอเขาจะทำได้ดีก็เมื่อเขาพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระมีความสุขทางจิตใจได้มาแล้วก็เลยมีอิสระทางจิตใจขึ้นแต่วัตถุเสพน้อยลงเนะี่ยไม่ใช่เขาไปทรมานตัวเองถ้าในระหว่างตอนต้นอาจจะใช้เป็นการฝึกอย่างที่ว่ามาแล้ว เห็นว่าตัวเองนี่ตามใจตัวเองในเรื่องเหล่านี้ปลนเปรยตันหามากไปถ้าโมตามใจตัวเองอย่างนี้ก็จะไหลลงตามกระแสเรื่อยๆไปก็เลยมาฝึกตนเองตอนแรกก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าลำบากบ้างแต่พอฝึกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกยินดีพอใจก็ได้พัฒนาตัวเองไปเอาละครับนี่ก็เรื่องของพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาจะไปชื่นชมยินดีกับระบบชดเชยแบบฤษีชีพลัยที่แก่ไม่เอากับวัตถุเสพกับสังคมเพื่อนมนุษย์เบื่อก็เลยออกไปอยู่ปลีกตัวไปหาธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ถูกเหมือนกันนะนี่ก็พุทธศาสนาก็เป็นระบบชุมชนให้มนุษย์อยู่กับชุมชนที่พัฒนาแล้ว ก็ไปเอาวนะ่ไม่แปลกแยก่างเหินทั้งจากธรรมชาติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและกิจกรรมแห่งชีวิตนี่มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ในเมื่อแกบุ่นวายกับการหาสิ่งเสพนี้แกไม่รู้ตัวหรอกอริยธรรมวัฒนธรรมนี่เมื่อเน้นให้คุณค่าตีค่าวัตถุเสพสูงสุดก็ลืมพัฒนาความสุขด้านอื่นๆเพราะนั้น แกก็จะพัฒนาชีวิตเหมือนกันแต่พัฒนาชีวิตคือให้เกิดความสามารถที่จะหาสิ่งเสพเหล่านี้มาสนองความต้องการอันนี้การที่จะพัฒนามนุษย์เนี่ยก็คือระบบที่เรียกว่าการศึกษานั้นการศึกษาก็จะเลยมีความหมายว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบํเรเลงความสุขเป็นการพัฒนาด้านเดียวอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ การศึกษามีส่วนไม่น้อยที่โดยไม่รู้ตัวได้มีความหมายเช่นนี้ส่วนความหมายอื่นนี้ก็ยิ่งลบเลือนหายไปกลายเป็นว่าได้บังไม่ได้บงังได้โดยไม่รู้ตัวได้โดยบังเอิญนะได้โดยเป็นผลข้างเคียงไม่เลยแทนที่จะเป็นผลที่เกิดจากปัญญารู้ความจริงเพราะนั้นการศึกษาปัจจุบันนี้ก็ขอย้มอีกทีว่า ได้กลายเป็นการศึกษาที่มีความหมายว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบําเลอความสุขโดยมีวัตถุเสพนั้นเหมือนกับเป็นจุดหมายของชีวิตไปเรียกว่าได้วัตถุเสพรังพร้อมก็คือความสุขความสมบูรณ์ของชีวิตอันนี้มันก็เป็นการพัฒนามนุษย์ที่เสียดุลยภาพเพราะว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาชีวิตในด้านการที่จะมีความสุขอื่นๆแม้แต่ความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเองมากขึ้น แทนที่จะต้องไปหาสิ่งเสพมาแล้วก็พอพัฒนาความสามารถนี้หาสิ่งเสพได้มาชีวิตก็ยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพมากยิ่งขึ้นพอชีวิตของเขาขึ้นแต่สิ่งเสพมากยิ่งขึ้นแล้วเขาแปลกแยกห่างเหินจากแหล่งความสุขพื้นฐานและไม่สามารถพัฒนาความสุขที่ประณีตลึกซึ้งที่เป็นอิสระขึ้นมาต่อมามันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นความสุขของคน ประเภทที่เรียกว่าเป็นความสุขของคนที่เกาที่ขันนะเป็นความสุขจากการเกาที่ขันใช่ไหมหรือเป็นความสุขของคนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนนี่จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเกียมีแผลตามตัวแล้วก็ขันเมื่อแกขันเนี่ยนะไอตัวไอความขันเนี่ยมันจะรุนเราแกนะให้แกต้องเกาใช่ไหม เมื่อแก่เกาแก่ก็มีความสุขจากการเก่าที่ขันเมื่อยิ่งเก่าก็ยิ่งขันใช่ไหมแ่้ยิ่งขันก็ยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็ได้ความสุขจากการเก่าแล้วก็ก็ยิ่งขันยิ่งขันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ได้ความสุขจากการเก่านี่ยอันนั้นคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมากระตุ้นเราไอ้ตัวตั้หาความทยานอยากอันนี้คือความรุนเร้า ในการที่อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยจะต้องการสิ่งเสพให้รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่ออินทรีย์มันต้องการสิ่งเสพรุนแรงยิ่งขึ้นก็ยิ่งใช้ไอ้ตัวสิ่งสนองความต้องการหรือสิ่งเรานั้นรุนแรงยิ่งขึ้นใช่ไหมจนกระทั่งต่อมาไอ้สิ่งเราที่มันอ่อนกําลังที่มันเป็นพื้นพๆเนี่ยมันจะไม่สามารถให้ความสุขได้ใช่ไหมเหมือนกับการเกาที่ต้องแรงขึ้นแรงขึ้นและคน ที่เป็นโรคเรือดนี่ก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากการเ่าวก็คือแกชอบไปผิงไฟการผิงไฟเนี่ยจะทําให้แกได้ความสุขตอนนี้ยิ่งร้อนแกก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นแกก็ไปถ้ามองในแง่ของคนทั่วไปคนที่เป็นปกติสุขภาพดีก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขเลยในการที่ไปผิงไฟมันน่าจะร้อนเป็นทุกข์เลยซ้ําใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่ มันเป็นโรคเรือดเนี่ยมันสุกนะใช่ไหมมันสุกในการที่ไปผิงไฟให้มันร้อนรๆเพราะมันแหมมันรู้สึกว่ามันสะใจหแลอยังเกาที่คันก็เหมือนกันถ้าคนสุขภาพดีไม่คันเนี่ยไปเกาเข้านี่มันมาทุกใช่ไหมมันลําบากแต่ว่าคนที่คันเนี่ยเป็นเกาแล้วมันมีความสุขราะฉะนั้นเลยคันขยือเกาก็จะทั้งแผลเผลปากแผลเอ่อฟ้เลย แยกไปเลยใช่ไหมนี่เรื่องของการมาสุขสามิสุขก็จะมีลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเขาเตรียมไว้แห่งหนึ่งเหมือนกัคนที่เป็นโรคเรื้อนหนึ่งก็มีความสุขจากการเกาที่ขันยิ่งขันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งสุขยิ่งสุขยิ่งขันยิ่งขันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งสุขยิ่งสุขยิ่งขันยิ่งขันยิ่งเกาเลยไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ที่ว่าเอาตัวไปย่างไฟไปผิงไฟมันไม่ใช่แค่ผิงมันเหมือนกับย่างไฟนะทำให้มีความสุข อันนี้ถ้าหากว่าคนได้พัฒนาตัวพระพุทธเจ้าก็ตตัดบอกว่าต่อมาสมมติว่านี่สมมติในพระแง่าภาษาไทยนะต่อมาถ้าหากว่าคนที่เป็นโรคเรือนน่ะแกไปรักษาตัวได้แพทย์ที่มีความสามารถได้ยาดีแล้วก็แกก็มีสุขภาพดีหายโรคเรือนนั้นร่างกายเป็นปกติดีถามว่าแกจะอยากไปเก่า อย่างนั้นไหมแกจะอยากไปผิงไฟอย่างนั้นไหมถามอย่างนี้ตอบว่าไม่ใช่ไหมฮะแกจะไม่เอาด้วยแกจะรู้สึกอูหถ้าหากว่าจะไปผิงไฟนั่นแกไม่ไปแน่ถ้าเกิดมีคนจะดึงตัวแกไปนี่แกจะดิ้นสุดตัวเลยใช่ไหมดิ้นไม่ยอมให้เขาพาไปผิงไฟย่างไฟอย่างเก่าอีกเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกามแลวพัฒนาให้เกิดความสุข ให้สุขภาพจิตสมบูรณ์เมื่อจิตมันสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ร่างกายมีสุขภาพดีนี่นี่นิพเวศเทียบทางกายกับจิตจิตสมบูรณ์คือมีสุขภาพดีของจิตสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นอาการที่ไปเสพการไปปลนเปลอาบำเรอรการมาสุขทางด้านอินทรีย์เหล่านี้ว่าเป็นความสุข เหมือนกับคนที่หายจากโรคเรื้อนสุขภาพดีแล้วจะไม่เห็นการที่ไปเกาที่คันและการไปย่างไฟเอาตัวไปย่างไปผิงไฟว่าเป็นความสุขนะฮะอันนั้นในพระเจ้าก็ตรัสอุปมาไว้อนี้ภาวะที่มีสุขภาพดีเนี่ยย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ฉันใดการมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ก็คือการบรรลุนิพพานน ความเป็นความไม่มีโรคหรือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นั้นเป็นชื่อหนึ่งของนิพพานนะภาวะที่เป็นอิสระอันนั้นนี่ก็คือการที่มนุษย์พัฒนาไปให้ถูกต้องจนกระทั่งจิตมีสุขภาพสมบูรณ์ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่หายจากโรคเรื้อนก็จะไม่แสวงหาความสุขจากการเกาวที่คันและไม่มองเห็นการเอาตัวไปย่างฝ่ายเป็นความสุขอีกต่อไปนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขอย่างที่หนึ่งเรื่องการมาสุขไหนไหนพูดไปแล้วก็มาสรุปประมวลเรื่องของกามาสุขซะหน่อยก่อนที่จะกล้าไปสู่ความสุขระดับอื่นๆเรื่องการมาสุขหรือสุขจากสิ่งเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราได้พูดกันมาก็เยอะแล้วแต่ว่าพูดแบบกว้างๆทีนี้เราลองมาประมวลเอาละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า การมีทั้งแง่ดีและแง่เสียพระเจ้ามันจะตัดเแง่โทษอย่างเดียวแง่ดีแง่แงอร่อยแง่น่าชื่นใจของกามท่านเรียกว่าการมาสุขแล้วก็เป็นกามาสาธะนะการมาสาธะนั่นเองอาสาธะของกามคืออะไรก็คือความอริดอร่อยความสุขความชื่นใจที่ได้จากการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นนี่เรียกว่าอาสาธะของกามทีนี้ ต่อไปอาทีนะวะโทษของกามละ่ะโ อ, อ้โทษของกามก็มีเยอะอยู่โทษของกามแต่ที่เป็นสำคัญก็หนึ่งคือการที่ว่าต้องขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกนะกามเป็นสิ่งอยู่ภายนอกเราต้องขึ้นต่อมันถ้าเราจะมีความสุขต้องอาศัยมันไม่อยู่ในตัวของเราเองนีล่ลักษณะที่หนึ่งคือขึ้นต่อมันเมื่อขึ้นต่อ นะมันยังไม่ขึ้นต่อแค่นิดหน่อยคือมันขึ้นตอนลักษณะที่ว่าตอนแรกมันเสพแค่นี้ก็สุกต่อมาปริมาณดีกรีเดิมเท่าเดิมไม่สุกต้องเพิ่มปริมาณดีกรีอีกนี่มันก็ทําให้การขึ้นต่อนี่มันมีความหมายอื่นที่จะต้องขึ้นมากยิ่งขึ้นอาศัยมันยิ่งขึ้น ทีนีมนุษย์นั้นปกติอาศัยสิ่งเสพเหล่านี้ในแง่ที่จะให้ชีวิตเป็นอยู่เช่นอาหารนี่เราอาศัยมันอยู่แล้วในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ที่จะให้ชีวิตเป็นอยู่ได้แค่นั้นไม่พอต้องมาขึ้นต่อมาในแง่ความสุขอีกนี่สิใช่ไหมเราขึ้นต่อมาในแง่การที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้นี่ก็มากอยู่แล้วนะยังต้องไปขึ้นต่อมาในการที่จะมีความสุขด้วย อันนี้มันน่าจะทำไงให้เราเนี่ยขึ้นต่อมาในแง่ชีวิตเป็นอยู่ได้แล้วความสุขของเราเป็นอิสระจากมันมากขึ้นนี่เราตายตั้งขึ้นต่อมาทั้งสองทีนี้การขึ้นต่อมาในแง่ของอาศัยเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีปริมาณหนึ่งจำกัดแต่พอขึ้นต่อมาในแง่ความสุขนี่มันกลายเป็นเกินขอบเขตของการที่ต้องอาศัยในแง่ชีวิตเป็นอยู่ใช่หเช่นอย่างอาหารเนี่ย เราขึ้นต่อมันอยู่แล้วในแง่ชีวิตต้องอาศัยเป็นอยู่ในปริมาณหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอในแง่ความสุขเราโอ้โหคราวนี้ขึ้นต่อมันมหาศาลเลยปริมาณไม่รู้เท่าไรเลยใช่ะกลายเป็นระดับที่เกินจำเป็นกลายเป็นระดับที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟอแล้วก็สิ้นเปลืองเสียเปล่าแล้วก็กลายเป็นการทาลายไปเลยใช่มดังนั้น น่นหลักการก็คือว่าพระพุทธเจ้ายอมให้ในการที่ชีวิตเราขึ้นต่อมาในแง่ความเป็นอยู่ชีวิตเป็นอยู่แต่อย่าให้ต้องไปขึ้นในแง่ความสุขแล้วก็ถ้าขึ้นในแง่ความสุขเอาให้มันสัมพันธ์กันแค่ว่าในระดับหรือปริมาณของความจะเป็นในการเป็นอยู่ได้ไหมนี่ชีวิตเราต้องอาศัยมันอยู่แล้วให้ความสุขขึ้นต่อมนในระดับปริมาณพอๆกันไม่ใช่ว่า ชีวิตขึ้นต่อมาเท่านี้โดยปริมาณเท่านี้เสร็จแล้วต้องไปขึ้นต่อมาในแง่ของความสุขนี่เพิ่มไม่รู้จักหยุดเลยจนเกิดปัญหามากมายใช่ไหมนี่คือปัญหาของมนุษย์เอาล้วครับแปลว่าขึ้นต่อมาไม่เฉพาะในแง่ชีวิตเป็นอยู่แต่ขึ้นในแง่ความสุขด้วยและในแง่ความสุขนี้จะขึ้นต่อมันอย่างชนิดที่ไม่มีสิ้นสุดเลยเกินจําเป็นเกินปริมาณ เกินกว่าที่ชีวิตจะอาศัยมันอันนี้ต่อไปอลักษณะที่ขึ้นต่อมันนี่มันจะนำมาซึ่งอะไรอีกนำมาซึ่งความรู้สึกสภาพจิตใจอีกมีผลต่อจิตใจมีผลต่อจิตใจยังไงล่ะอา้าวก็ต้องอยู่โดยที่ว่าเพราะชีวิตขึ้นต่อมันนี่เราก็ต้องอยากจะได้จะเอาเนี่ยมันก็พัฒนาสภาพจิตที่อยากจะได้จะเอา เมื่ออยากจะได้จะเอายังไม่ได้ก็ต้องคิดแสวงหาอยู่ด้วยความหวังว่าจะได้เมื่อมีความหวังก็จะคู่กับความหวาดคนที่ตราบใดยังมีหวังก็จะมีหวาดด้วยใช่ไหมเมื่อหวังว่าจะได้ก evet? ็ต้องหวาดว่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อหวังก็หวาดคู่กันทีนี้ถ้าไม่สมหวังในขณะที่ยังไม่ได้ถ้ามันช้าไปนี่จะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานในขณะที่ยังไม่ได้ก็ทรมานในการที่ยังไม่ได้มาอันนี้ ก็เกิดความกลัวจะไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะแล้วก็เมื่อไม่ได้จริงก็ผิดหวังก็ทุกข์อีกใช่ไหมเมื่อไม่ได้ก็ผิดหวังทีนี้ถ้าได้ก็เกิดความสมหวังพอสมหวังแล้วต่อมาเคยชินเนี่ยพอเคยชินชินชาต่อมาเกิดเบื่อซะอีกพอเบื่อนายแล้วเกิดต้องอยู่กับสิ่งเสพอันนั้นสิ่งปลนเลือย ที่เคยให้ความสุขพอต้องอยู่กลายเป็นจําใจฝืนกลายเป็นทุกข์ไปอีกไงไอสิ่งเดียวกันที่เคยให้สุขกลายเป็นต้องทุกข์แล้วในระหว่างที่ยังชอบยังให้ความสุขได้ก็เกิดความยึดมัน่นเกิดความยึดติดห่วงแหนเป็นทุกข์เพราะมันอ่านะเป็นห่วงเป็นห่วงนะ่ะห่วงด้วยหรือนหะ่วงด้วยน่ะเป็นห่วงเป็นกังวลก็ทุกข์เพราะมันอีก ถ้าไม่สามารถวางจิตใจปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นทาตเลยจิตใจเป็นความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ในหลายประการด้วยกันตกลงว่าตอนหวังก็มีหวาดตอนไม่ได้ก็ผิดหวังนีตอนสมหวังแล้วนีก็ได้มาก็ยึดติดหงษ์แหนเกิดความห่วงกังวลเพราะมันหงษ์แหนเพราะมันทุกข์เพราะความบาดระแวงผู้อื่นเกิดพอเบื่อหน่ายขึ้นมาอีกจําใจอยู่อีก แยกจากมันไม่ได้ทุกข์อีกใช่ไหมวุ่นวายมันมันปัญหามันเยอะเหลือเกินนเนี่ยนี้พระเจ้าก็สอนไว้เพื่อให้รู้ทันถ้าเรายังอยู่กับมันจะเอาสุขจากมันก็จะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องว่าทําใจยังไงเพื่อจะให้เรามีทุกข์น้อยใช่ไหมอันนี้คือความจริงถ้าเราทําใจไม่ถูกเราต้องทุกข์แน่เพราะฉะนั้นคุณถ้ายังอยู่กับกามนะคุณต้องวางใจให้ถูกต้องว่าทําไงคุณจะไม่ทุกข์เพราะมันมาก ในขณะที่ยังไม่ได้เอ่อวางใจให้มันดีนะเนี่แต่เราไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเอาหลักของความจริงความรู้เท่าทันธรรมะในกฎธรรมชาติมาช่วยมันก็จะบรรเทาลงในขณะที่ยังไม่ได้มีความหวังแต่ก็อย่าไปหวาดหาให้รู้ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมันหวังอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปทาให้เกิดความรู้สึกระแวงผู้อื่นหรือว่าไปแย่งชิงกันน แล้วก็อย่าไปรู้สึกผิดหวังถ้าหากว่าไม่ได้ก็ให้รู้ทันปรับใจได้หรือว่าได้แล้วก็อย่าไปอยู่ด้วยความยึดติดหวงแหนเป็นธาตุของมันมัวแต่ห่วงกงังวลนะแล้วก็ขัดแย้งกับผู้อื่นเพราความหวงแหนแล้วก็อย่าไปทุกข์ทรมานในเพื่อเบื่อหน่ายใช่ไหมอัน น, นี้คุณต้องรู้จักปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องให้คุณทุกน้อยแต่คุณต้องรู้ความจริงนะ ในเมื่อคุณยังอยู่กับการมาสุขคุณจะต้องเจอใช่ไหมฮะและอยู่ที่คุณจะปฏิบัติได้ถูกแค่ไหนอีนี้อ้าวทีนี้ต่อไปในลักษณะที่มันขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้นั่นสิ่งเหล่านี้มันมีธรรมชาติของมันอีกคือเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเอาอีกแล้วสิใช่ไหมอีนี้มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยข้งมันแล้วชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนี ตัวเราชีวิตเราก็เป็นอนิจจังทุกขังนั้นตาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในภาวะอย่างเดิมแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยจะไปสั่งบังคับเอาตามใจเราไม่ได้สิ่งทั้งหลายอื่นก็เช่นเดียวกันอีกนะ่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในภาวะเดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่ตามสภาวะทีนี้ถ้าเราไปยึดมัน่นสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็เกิดทุกข์อีกใช่ไหมทีนี้ ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไอสาเหตุที่มันมีความผิดหวังเสียดายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีการพลัดพรากอะไรต่างๆก็เพราะมันเป็นไปตามอนิจนาานนจังทุกขังนัตตนีิด้วยณอนิจจังทุกขังนัตตานี้ก็ต้องรู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันก็จะปรับใจให้เบาจากทุกข์ลงได้แต่ว่าแต่ตัวอนิจจังทุกขังนัตตาที่กฎธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้คนที่ไม่รู้เท่าทันนี้เกิดทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้แต่ก็ต้องรู้ความจริงว่า ในเมื่อเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปตามอ น, นิจจังทุกขรั้งนัตตาแน่นอนใช่ไหมเอาละนี่ก็คือว่าตัวข้อบกพร่องจุดอ่อนของสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้นี่ข้อดีของกลามนี่ข้อบกพร่องจุดอ่อนข้อเสียของกลาม ก, ก็ตรงลงว่าเรื่องกลามนี้ก็มีข้อเสียหลายอย่างวันนี้ผมอาจจะนึกมาไม่ทันหมดนะเพราะเคยประมวลไว้เวลามาพูดทีหนึ่งมันก็นึกออกบ้างมันนึกไม่ออกบ้างนะ อันนี้ก็ขอข้ามไปละทีนี้นี่ในแง่ชีวิตของตัวเองที่ต้องไปขึ้นต่อมันแล้วก็เป็นไปตามนิจจังทุกขรั้งหน้าตาอะไรนี่อันนี้2ในแง่สังคมในแง่สังคมเพราะว่าในเมื่อคนนี่จะหาสุขจากสิ่งเเสพซึ่งเป็นสิ่งอยู่ภายนอกเป็นวัตถุที่มีอยู่จํากัดนีโดยมากก็มาจากธรรมชาติแล้วก็มีการมาผลิตด้วยระบบของมนุษย์เชิงอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ อะไรต่างๆไปเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีปริมาณจำกัดเมื่อแต่ละคนนี้หาความสุขจากสิ่งเสพมันก็มีลักษณะที่ว่าต้องเอาให้มากที่สุดด้วยต้องเพิ่มด้วยมันก็เลยเกิดการที่แต่ละคนต้องเอาให้มากที่สุดเมื่อเอาแต่ให้มากที่สุดมันก็เกิดการแย่งชิงกันก็เกิดการเบียดเบียนข่มเหงการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมก็เกิดทุกข์ในสังคมเกิดการเดือดร้อนนี่ปัญหาที่สองจากกามนะเป็นทุกข์โทษในสังคม แล้วก็ 3. ในปัจจุบันก็คือทำลายธรรมชาติแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและในกระบวนการผลิตก็จะต้องมีการถ่ายของเสียออกไปในอากาศเป็นควันในปล่องโรงงานบ้างเป็นน้ำเสียลงไปในแม่น้ำบ้างนะลงไปในดินเสียบ้างนะและททำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นในบรรยากาศนะเกิดจากที่เราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นไปอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมลภาวะาธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งเป็นปัญหาของยุคปัจจุบันที่กําลังหนักขึ้นไปทุกทีตกลงว่าปัญหาสามอย่างชีวิตจิตใ จ, จเราแย่ yeah. สองสังคมแย่ yeah. สธรรมชาติแวดล้อมแย่พอสังคมแย่ธรรมชาติแวดล้อ ม, yeah. อ ม, yeah. รรมแย่ yeah. อากาศเสียดินเสียน้ําเสียไฟเสียไฟเสียก็คืออุณหภูมิมันสูงขึ้นในบรรยากาศนะดินน้ํามลมไฟเสียหมดมันก็ส่งผลกระทบกลับมาต่อสุขภาพกายของมนุษย์อีกทําให้ร่างกายต้องเป็นโรคเป็นภัยต่างๆนะเช่อนอยู่ในธรรมชาติไปรอบปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยคนก็เป็นโรคเพราะอากาศเสียเยอะเลยนะในประเทศในบ้านเมืองที่จเจริญพัฒนาก็เช่นเดียวกัน สังคมที่แข่งแย่งกันอารัดอเปรียบแข่งขันการเบียดเบียนกันก็ทําให้จิตใจคนอยู่ด้วยความเครียดพอเครียดก็กลับมาเป็นโรคทางกายจิตก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์อีกนะฮก็เลยเป็นปัญหาไปหมดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดจากโทษของกามทั้งสิน้นเรียกว่าสามิสสุขสุขเกิดจากอา mitha สิ่งเหยื่อล่อ นั้นว่าข้อดีของกรรมก็มีอย่างที่ว่ามาแต่ข้อเสียของกรรมจุดอ่อนก็เยอะแยะแล้วถ้าใครยังอยู่ในกรารมยังแสวงหากามมาสุขต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องให้เกิดโทษทุกน้อยที่สุดนะก็ต้องระวังอันตรายอย่างที่ว่ามาว่าทําไงไม่ให้เกิด น, ะนี่แต่ตราบใดที่ยังอยู่ในระดับที่แสวงหากามมาสุขอยู่ไม่ปลอดภัยเพราะมันไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวดุลยภาพ ที่ว่าจะทําให้เขาไปได้ความสุขทางอื่นแล้วเขาไม่ต้องมามัววุ่นวายกับความสุขจักกามเพราะว่าถ้าเขายัางมุ่งหาสุขจักรกามการเป็นช่องทางเดียวแห่งความสุขสุขต้องมาจากสิ่งเสพจากอามิสเยื่อลอดเนี่ยการที่เขาจะต้องปฏิบัติไม่ให้เกิดโทษมากเนี่ยเขาต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองการยับยั้งชั่งใจก็จําใจก็ฝืนใจเมื่อฝืนใจก็อยู่ในความทุกข์ เมื่ออยู่ด้วยความทุกข์หนึ่งตัวเองก็ไม่สบายไม่สุขจริงสองมันมันฝืนอยู่นี่มันอาจจะระเบิดเมื่อะไรก็ได้เพราะนั้นคนจํานวนมากจะไม่ยอมฝืนและฝืนไม่ไหวก็จะต้งละเมิดออกไปละเมิดออกไปก็ไม่มีหลักประกันนะไอ้ระบบความปลอดภัยของชีวิตของสังคมของธรรมชาติเป็นร่มไม่ปลอดภัยเราตราบใดที่มนุษย์จะอยู่แค่ว่ายับยั้งตัวเองนะนะอดกลั้น ฝืนใจไม่ได้นี่คือจริยธรรมของมนุษย์ปัจจุบันได้แค่นี้ันนนณนพุทธศาสนาบอกเราจะต้องพัฒนาชีวิตก้าวต่อไปแล้วมาพัฒนาชีวิตขึ้นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญานั้นความสุขก็จะมีช่องทางมีมิติเพิ่มขึ้นอีกทำให้คนนี่มีความสุขที่เป็นของตัวเองเป็นอิสระไม่ต้องมาขึ้นต่อสิ่งเสพแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมาทาให้การแสวงหาสิ่งเสพนี้มัน ดีไปเป็นวิธีการที่ดีที่ถูกต้องเองโดยอัตโนมัติด้วยใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่เราจะพูดต่อไปวันนี้พูดมาซะยืดยาวยังไม่พ้นเรื่องความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุเลยนะ mm hmm. ก็ยังอยู่ในขั้นการมาสุขแล้วก็สามิสุขนะ mm hmm. ก็คิดว่าในขั้นนี้พอสมควรแล้วทีนี้เอาไว้ครั้งต่อไปก็จะพูดเรื่องการพัฒนาชีวิต เพื่อให้ได้มนุษย์ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะเรือะไรรื่เรื่องมีแล้วฮะเพราะว่ายังไงาคนที่ซกไปก็อยู่นอยู่ในวจอันนี้ก็จะได้มีสติจะได้มีสติแล้วก็นนาการศึกษาปัจจุบันนี้บนด้วยเพราะมันไม่เฉพาะออกไปทำงานแล้วนะตั้งแต่เรียนก็เลยจุดมุ่งใช่ไหม จุดมุ่งก็เพื่อไปหาสิ่งเสพแล้วก็การศึกษาพัฒนาความสามารถไปหาสิ่งเสพ <c oughs> เวลาเรียนก็พูดกันแต่ว่าจบแล้วจะไปหาเงินหาทองยังไงมากหาสิ่งเสพรถยนต์โทรทัศน์อะไรต่างๆสิ่งเสพเท่านั้นเลยใช่ไหมอยู่ในกามาสุขหมดเลยพัฒนาด้านเดียว